บันดิตทำตนให้ผ่องแผ้วพระพุทธภาสิทธกันห่างธรรมังวิปปหายะสุ ก, กังภาเวทะปันิโตโอกาอนโนกมากร ม, มะวิเวเกจทะดูระมังตัตตราพิระติมิเชยะหิตตวากาเมอกินจโนประโยชะป์ปะยะอัตตานังกิตาเคลเซหิปันิโตเยสรงสัมมุทิยังเคสุสมาจิตังสุภาวิตัง อาดาณปตินิสัเกอุปดายเยรตาขีนาสวาชุติบันตโตเตโลเกประรณิบูตาแปลว่าบัณฑิตละธรมดำแล้วออกจากอะไรอาศัยธรรมไม่มีอะไรเจริญธรรมขาวละการทั้งหลายแล้วไม่มีความกังวลยินดีในวิเวกซึ่งคนทั่วไปยินดีได้ยากบัณฑิตพึงทำตนให้พองแพ้วจากธรรมเรื่องเศร้าหมองของจิต ชนเหล่าใดอบรมจิตด้วยดีในธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ยินดีในการปล่อยวางพอใจในความไม่ยึดมั่นถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นพระผีนาศรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกอธิบายความคำว่าธรรมดำหมายเอาทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นคำว่าธรรมขาวหมายถึงสุจริตมีกายสุดจริตเป็นต้น คำว่าอาไย ห, หมายถึงกรรมคุณออกจากอาไยคือออกจากกรรมคุณกรรมคุณคือกลุ่มกามมีรูปเสียงอันน่าใครน่าพอใจเป็นต้นวิเวกนั้นมีสามคือกายวิเวกหนึ่งจิตตวิเวกหนึ่งอุปธิวิเวกหนึ่งกายวิเวก ค, ความสงัดทางกายคือกายไม่คลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะจิตตวิเวกสงัดจิต คือจิตได้ฌานแปดอันสงัดจากกามและอกุศลอุปธิวิเวกสงัดกิเลสคือใจหมดกิเลสทั้งหยาบและละเอียดคำว่าธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้นั้นท่านหมายเอาโพธิปัคกิยธรรม37คือสติปทาน 4, สัมมัิปทานสอิทิบาสีอินสีห้าพระห้าผู้ชงเจมักมีองค์8 ความยึดมั่นถือมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานยึดมั่นในกามเรียกกามุปาทานยึดมั่นในตัวตนเรียกอัตวาทุปาทานยึดมั่นในศีลและพรดเรียกศีลับพาตุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิเรียกทิฏฐุปาทานการปล่อยวางท่านเรียกว่าอนุปาทานยิ่งยึดมั่นมากยิ่งมีทุกข์มาก ยิ่งปล่อยวางมากยิ่งมีสุขมากการคิดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวตนเป็นทุกโดยรวบยอดหรือโดยสรุปคือกล่าวโดยย่อสร้างขิเตเณปัญจุ ป, ปาทานคันธาดุกข่ากล่าวโดยสรุปดังนี้บุคคลผู้มีปัญญาละธรรมดำคือทุจริตแล้วเจริญธรรมขาวคือสุจริตละกามอลไดยากพอใจในวิเวกชำระตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงดับสนิทคือปรินิพานด้วยปรินิพานสองอย่างคือสาุปาทิเสสนิพานเพราะกิเลสวัฏสิ้นไปอนุปาทิเสสนิพานเพราะขันธวัฏสิ้นไปพระาศาสดาตรัสพระคาถานี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพวกพิสุอาคันตุกะมีเรื่องย่อดังนี้ สมัยหนึ่งพระาศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีภิกษุประมาณห้าร้อยรูปจำพรรษาอยู่ในแก้นโกสลเมื่อออกพรรษาแล้วปรึกษากันว่าควรจะไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วชวนกันไปเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ในที่อันสมควรแก่ตนพระาศาสดาผู้ทรงเป็นธรรมราชาทรงรอบรู้อัจฉิย และอธิมุติของภิกษุทั้งหลายด้วยดีส่งพิจารณาธรรมอันเหมาะสมแก่อัตยาสายของภิกษุผู้ผหมอเฝ้าแล้วส่งแสดงธรรมด้วยหัวข้อว่ากันหั่งธรรมังวิปปหายเป็นอาธิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้น